ก็ความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังเท่าแต่ลมประปธิญาณได้นำเสนอพระพุทธธรรมหัที่ตัดแก่ท่านปัญจวัคคีมาถึงช่วงที่ว่าอันเป็นที่สุดแห่งพระมจันร์แล้วก็แวะไปอธิบายขยายความพระมจันร์อยู่ก็หลายหลายวันพอสมควรเพราะว่าต้องการจะ ให้มองเห็นภาพของพระพุทธศาสนาในแง่มุมต่างๆก็โดยใช้โครงสร้างของพระธรรมจักรเนี่ยเป็นฐานที่จะกระจายออกไปดังนั้นถ้าท่านผู้ฟังลองสังเกตว่าจริงๆก็เหตุการณ์ก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วแต่ว่ากระจายออกไปโดยนยรรยัยยะต่างๆทีนี้ถ้าเรามองให้ซึ้งเนี่ยมันจะมีประเด็นที่ซ้ำๆอยู่เยอะ ซ้ำโดยธรรมชาติของธรรมะนะก็ซ้ําอย่างนั้นนะมันเหมือนกับชีวิตของเราในแต่ละคนในแต่ละวันเนีเราสังเกต ด, ดูเราก็ซนะ้ําๆพฤติกรรมก็ซ้ําๆไปเรื่อยๆและบางทีอแนวที่เป็นกิจวัตรประจําวันตื่นเช้าขึ้นมาทําอะไรเนี่ยมันเหมือนกับลงปัวไปเลยในธรรมะปฏิบัติมันก็เองก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเป็นพฤติกรรมซ้ําๆทั้งทางกุศลและอกุศล อกุศลที่เคยสร้างปัญหาแก่โลกเมื่อหลายล้านปีที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ยังสร้างปัญหาให้อยู่ที่เป็นประโยชน์แก่ชาวโลกเมื่อหลายล้านปีที่แล้วเวลานี้ก็ยังเป็นประโยชน์อยู่เพียงแต่ว่าคนจะต้องประพฤติปฏิบัติคือเขาเองเนี่ยมันเป็นมรรควิธีมันเป็นถนนนะฮะหรือถ้าเราไม่เดินไปมันก็ไม่ไดถึงไหนไม่ได้รับคุณรับโทษอะไร่ยถ้าต่างคนต่างอยู่เนี่ย โทษมันก็มีแน่นอนแหละเพราะว่าเราไม่ดำเนินไปบนเส้นทางของกุศลแต่ว่าธรรมะมันก็อยู่ภายในใจเราแล้วระดับหนึง่งมันมีธรรมธาตุหรือธรรมธาตุอยู่แล้วภยใ น, ในใจเราถึงแต่มากหรือน้อยเท่านั้นเองเนในการศึกษาการประพฤติปฏิบัติก็เพื่อจะเพิ่มคุณธรรมเหล่านั้นให้มีพลังือความเข้มแข็ง จะกลายเป็นภูมิธรรมภูมิจิตของบุคคลภูมิธรรมเหล่านั้นมากลายเป็นภูมิจิตและทำให้ครองชีวิตย่งมีภูมิฐานก็เราคงห้ามใครไม่ให้ไปโยดไปท้วงอะไรได้นะแต่ว่าเมื่อถึงบทหนึ่งมันก็พิสูจน์ได้ว่าการตรวการท้วงการกล่าวหาเนี่ยในโลกมนุษย์มันมีธรรมดามาัน จนที่โบราณดั้งก็พูดเอาไว้ว่าอนินทากาเลมันเทน้ําไม่ชอบซ้ำ ม, มือน้มีดมันปีดินแม่องุงรับปฏิมาอย่างราคินคนเดินดินด้วยจะพ้นคนนินทามันก็ต้องยอมไปนะคนเรารับผิดชอบในกรรมของเรากรรมใดที่เราไม่ได้ทําใครกล่าวหาว่าเราทําในแง่สังคมนี่อาจจะเป็นไปได้นะแต่ว่าในแง่ของกรรจริงๆเราไม่ต้องรับผลเราถ้าเราไม่ได้ทํา แต่ถ้าเราทำใหม่มีคนกล่าวหาหรือไม่กล่าวหาเราก็ต้องรับผลดูอีกคนยกย่องหรือไม่ยกย่องเราก็รับผลดูทีนี้มีประเด็นที่ที่ทรงใช้คําเหล่านี้เราจะเจอบ่อยมากเวลาพูดถึงการบรรลุมรคผลหรือว่าชี้แนะให้บุคคนได้เกิดตหนักสมุสสมเนียกที่จะดําเนินชีวิตต้นไปบนเส้นทางที่พระเรียเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านเดินมาแล้ว นะข้อความตรงนี้ก็เชื่อมโยงกันมาจากข้อความที่ว่าจะแสดงธรรมพวกเธอปฏิบัติอยู่ตามที่เราสั่งสอนแล้วไม่ช้าสักเท่าไรจะทำให้แจ้งซึ่งคุณอันยอดเยี่ยมนะคือบรรลุพระผลมิพานอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ทีนี้หลักเหล่านีมน้มันคนโบราณเนี่ยเขาเขาสัมผัสมาแล้วคือพระพุทธเจ้าในอดีตมันก็มีอยู่เยอะนะฮะ ในคำภีของเราก็มีอยู่ถึงยี่สิบแปดพระองค์ก่อนพระพุทธเจ้าเราไปเนี่ยก็มีนะแต่ที่เรามาพูดพูดถึงพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เนี่ยก็หมายความว่าที่ศัตรูมาแล้วพระพุทธเจ้าเราก็เป็นองค์ที่สี่ก็ยังมีองค์ที่ห้าต่อไปคือเปน็นสะีเดียมีตรัยนะแล้วก็นับย้อนขึ้นไปจนถึงกาพระตันหังก่อนก็เลยยี่สิบแปดองค์นับมายานอีกก็จะเยอะนะฮะแต่เราเอาเฉพาะเทรวาสก็พอแล้ว แสดงว่าคุณธรรมเหล่านี้เขาก็มีอยู่คู่โลกคือไม่ไม่ได้หายไปไหนไม่ได้ขาดสมมติว่าคนในโลกมีมีศรัทธาหมดเลยศรัทธาก็ยังเหลือเท่าเดิมคนทั้งโลกนี่มีศีลหมดเรียบร้อยหมดเลยศีลก็ไม่ได้หายไปไหนศีลก็ยังอยู่เท่าเดิมแล้วคนจะ เ, เกิดมาอีกกี่พันล้านก็าตามนะธรรมะมันก็มีเท่าเดิ ม, มนะคือคนสามารถประพฤติปฏิบัติได้โดยไม่พร่อง นะแม้อากาศเองอย่างคร่องนะฮะแต่เห็นว่าในที่อับอับบางแห่งเราเข้าไปอยู่กันคนมากๆไลยหายใจพักเดียวอากาศเป็นพิษแล้วขาดหมดแต่ว่าธรรมะมันไม่มีคํำว่ามหมดอย่างแต่ว่าคนจะได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์มันก็อยู่ที่คนนั้นเขาฉลาดหรือไม่ฉลาดหรือถ้าเขาฉลาดในประโยชน์เขาได้ประโยชน์ไม่ฉลาดในประโยชน์ก็เป็นเรื่องที่ช่วยอะไรไม่ได้ มันก็รับสั่งว่าที่กุลบุตรทางหลายออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตโดยชอบต้องการนั้นหมายความว่ากุลบุตรที่ออกบวชมันมีมาแล้วแน่ดิเราอย่าลืมนะว่าพระพุทธเจ้าเองแรงกระตุ้นให้ถือเพศเป็นภิกษุในเพราะไปเห็นเทวทูตที่สี่คือเทวทูต ป, ประเภทที่เรียกว่าสัมมนก็มองเห็นว่าทรงเห็นว่ามันก็เป็นหนทางที่จะทําให้พระองค์หลุดรอดจากสังสารทุกข์ไปได้ เปร่งพระพุทธทานวาสาทุโภปรประชาบทนี้ดีนักแหล่ใน่สุดก็แต่ศิลป์พระไทยก็ถือเพศเองนั้นแล้วในศาสนากรรไกองพระพุทธเจ้าในอดีตก่อนก่อนภิกษุภิกษุณีว่าสมบัปิการมันมีมาแล้วในศาสนาก่อนกอนรควรมัชควิธีเหล่านี้ไม่มีคนเดินไปแล้วแล้วเขาก็ประสบความสมเร็จมาแล้วดังนั้นจึงทรงแสดงว่ากุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต นะบันพจิตเปลนผู้เว้นบาปนะแต่มีข้อแม้ว่าบวชโดยชอบและปฏิบัติโดยชอบถ้าเรา้นก็ต้องการเพียงแต่ว่าต้องบวชมาโดยชอบนะมีข้อแม้คำเหล่านี้จะไม่ยาวหรอกแต่ว่าจะกระชับแล้วก็จะเป็นเหตุเป็นผลอยู่ในตัวทําาบวชมาแต่ว่าบวชไม่ชอบมีเจตนาไม่สุจริต บางครั้งบางคราวมีปัญหาทางเศรษฐกิจแล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บเปียดเบียนไม่สามารถจะประกอบกิจการงานได้ก็เลยบวชเพื่อจะรักษาด้วยหายอย่างที่เราพูดถึงคนบวชบวชนี้บวชลองบวชครองประเวณี้บวชนี้สงสารบวชปรางกสุขบวชสนุกตามเพื่อนจนถึงบวชบวเพื่อนศาสนาเนี่ยผลเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นกับคนเหล่านั้นไม่ได้นอกจากว่าบวชนี้สงสารต้องการจะทําตัวนั้หลุดพ้นจากสังสารทุกข หรือาแม่คนบางพวกเนี่ยเห็นว่าบวชบวชจำเพื่อนหรือบวชลองก็ได้นะแต่ถ้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่มันก็สามารถที่จะได้รับผลในพระพุทธศาสนาได้และประเด็นที่สําคัญเข้าความสั้นๆด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันนะครับถึงอยู่มายควระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาแห่งปัญญา ปัญญาที่รู้เห็นด้วยตนเองเนี่ยท่านเรียกว่าสมรปัญญาคือจะเกิดความเห็นชอบตามความจริงในขณะนั้นๆท่านาส่วนลองสังเกตนะอะไรก็ตามถ้าเราเห็นชอบตามความจริงแลบบนี้เราจะไม่มีปัญหานี่ยแม้แต่จะประสบพิษเราจับได้เลยถ้าเราเข้าใจมันถ้าเรารู้จักมันตลอดเยเราสามารถจับได้เราสามารถจะอยู่กับเสือกับสิงโตกับอะไรก็ได้ แต่เพียงแต่ว่าเข้าแม่ว่าต้องรู้จากเขาต้องเข้าใจเขาในการที่เรามีปัญหาเรามีความทุกข์เนี่ยให้ลองสังเกตดูว่ามันเยอะที่มันนอกเรื่องเช่นความทุกข์จากเรื่องที่ผ่านมาแล้วเนี่ยถ้าเราตั้งปัญหาถามมาทุกเรื่องอะไรเร่งนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้ น, เ, น, นเกิดขึ้นเมื่อไรนะเอาไม่ต้องเอาอะไรเมื่อวานเน่นะเราก็แก้ไขไม่ได้แล้ว มันก็เป็นเท่าที่มันเป็นนะอะไรมันจะเกิดตามนั้นมาก็ต้องเกิดเพราะว่าเหตุมันให้มีแล้วนะเหตุให้เกิดมันมีอยู่แล้วทุกใจเสียใจกลุ้มใจไปก็ท่านนั้นเองแต่ว่าคนเราส่วนมากเนี่ยจะเสียเวลาไปกับเรื่องเห่านี้นเลอไปกัดกลุ้มเล่า ร, ร้อนทุกทรมานเพราะอนาคตไม่ใช่เรื่องอดีตและบางทีเนี่ยไปขวยพาปราถนาอย่างแนวที่ชัดเจน การเล่นหวยเบอร์เนี่ยมันเป็นวิธีปลอบประโลมใจโดยการหลอกตัวเองของบุคคลพอแทงหวยแทงเบอร์แล้วก็นอนฝันนั่งคุยกันเป็นตุเป็นตะนะคื อ, อยังนึกขำตอนนั้นเอามายัางเป็นเดนเด็กๆกันนะมันก็มีปัญหาทางเรศรษฐกิจในท้องถิ่นอย่ยาโยมเขาก็คิดวางแผนจะเคลื่อนย้าย คิดหีภัยธรรมชาติก็นั่งวางแผนที่จาเงินนะฮะเสร็จแล้วก็แทงหวยแทงหวยก็คิดทุกคนว่าคิดว่าถูกถูกก็คุยกันดุนเพลินนะฮมันแค่ก็มีเงินอยู่แล้วอ่ะค่แค่ก็มีเงินอยู่แล้วแล้วก็เงินก็ค่อนข้างมากในะสุดก็ตายไปจนถึงว่าเอาเงินเนี้ยไปซื้อที่ดินซื้อที่ดินก็ประกอบอาชีพประว่ากันไปเรื่อย มันมีอยู่สองสองคนนะฮะคนหนึ่งคิดจะปลูกอ้อยนะคนหนึ่งคิดจะเลี้ยงควายก็ เ, เข้าสู่โลกของจินตนาการลืมตัวไปไอคนเลี้ยงควายไม่ใช่คนคนปลูกอ้อยก็บอกว่าคือเลี้ยงควายก็เลี้ยงนะอย่าอ้อยเข้าอย่าให้ควายเข้ามันกินอ้อยฉั้นนะเพื่อนก็บอกมันจะทํายังไงได้ควาย้นเยอะมันก็ลงโง่ล ง, ลงตาไปบ้างเราก็เป็นพวกพวกกัน จะเอาอะไรกันนักหนาเขียงกันไปเขียงกันมานมันอินกระบวมากไปลุกขึ้นปล่อยกันเลยกว่าเพื่อนก็จะห้ามทันจะหยุดทันเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องตลกนี่คือคือแสดงให้เห็นว่ามนุษย์ไปเขาเรียกว่าไปเพิ่ฝันอยู่กับอนาคตตัวนี้ก็กลายเป็นตัวหลอกเป็นตัวลวม แม้แต่ว่าสถาบันการศึกษาบางแห่งแนตะ่เราลองสังเกตว่ายอดของผู้สําครการศึกษาเนี่ยมันไม่เกินยีสิเปอร์เซ็นประมาณสิบห้าสิบหกเปอร์เซ็นแต่นักศึกษามีเป็นแสนแสนที่จริงก็เป็นการหลอกตัวเองให้อยู่ในรูปแบบของนักศึกษาไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนว่างงานแล้วพ่อแม่เองก็ถูกหลอกลัดเองก็หลอกตัวเองนักศึกษาเองก็หลอกตัวเองครูบาอาจารย์ก็หลอกตัวเอง แล้วก็อยู่กันมาอย่างเงี้ยนั่นคืออะไรก็คือว่าทั้งังที่อนาคตเนี่ยมันไม่มีแต่ว่าเราไปหวังหวังว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นทั้งๆที่จริงๆมันก็พิสูจน์ตัวเองมานะพิสูจน์ตัวเองมาได้เพรา ะ, ะถ้ามนุษย์รู้เท่าทันรู้เท่าทันถึงความจริงของของโลกของชีวิตเนี่ยอนาคต ก็เป็นเรื่องอย่างไม่มาถึงอนาคตแปลว่าไม่ได้มาแล้วเพราะอนาคตเนี่ยมันไม่เคยมาเลยเห็นวพรุ่งนี้คืออนาคตเนี่ยแต่เมื่อมามันเป็นวันนี้มันไม่ใช่เป็นพรุ่งนี้มารืนนี้ก็เป็นอนาคตแต่พอแกมาถึงแกก็เป็นวันนี้อ่ะแกไม่มีคําว่าพรุ่งนี้กับปัจจุบันมันพรุ่งนี้มันเป็นอนาคตเพราะอนาคตจึงแปลว่ายังไม่มาเมื่อไม่มาก็ไม่ต้องไปยุ่งมันไม่ต้องไปวิตกกังวลไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไร เราเดินเราเหินเราทําอะไรก็ได้คือบางครั้งบางคาเนี่ยเราจะตั้งปัญหาเจตสมุทรญาติพี่น้องเราบาดเจ็บล้มตายอยากเอาตายนะฮะเอาสมุติญาติพี่น้องตายนะก็ร้องผมร้องไห้เสียอกเสียใจแต่เราตั้งปัญหาถามตัวเองแล้วหาคําตอบไปแก่ตัวเองก็กลายปเป็นเรื่งองตลกถามมาร้องไห้ทําไมญาติตายร้องไห้เพื่ออะไร ต้องการอน ญ, ญาติพื้นมาไม้ลังเลนะฮะไม่ต้องการนเละทีนี้สมมติอกพื้นมาจริงๆเนี่ยคุณจะเอาได้รรับได้หรือเปล่าพอกระลึงชุงแล้วโดยฉีดยาอกันศพเน่าไปแล้วนะมนันขื้นขึ้นมามันก็กลายเป็นคนพิกลพิการไรเซนต่างๆมันตายไปเยอะแล้วเห็นว่าที่จริงก็คือความสับสนเราไม่ได้ใช้ปัญญาชัดเจนตามความเป็นจริง แต่ตรงนี้พอปัญญามันเข้าไปจับเข้าไปจับมันก็มองเห็นในเรื่องของธรรมดาปัญหาเหล่านั้นมันก็เป็นเป็นธรรมชาติของมันถ้าเราไปคิดวมเป็นปัญหามันก็เป็นปัญหาแต่คิดว่าธรรมดามันก็คือธรรมดา อ, อย่างยกตัวอย่างเช่นนางมาริกาทีวีชายาของท่านพันธุระเสนาบ ด, ดีกามเจ้าประเระสริฐนิกรสน ที่จริงท่านเป็นพวกปุสินารานะฮะพวกแคว้นมันลลระแต่พันธุละเองก็เป็นราชกุมารในแคว้นมันลลระแต่ว่ามาทํางานกับพระสหายเกียรตเจ้าปเนสนิกุศลจนเป็นเสนาบดีแล้วก็ถูกริ์ยาเพราะท่านเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตมากแล้วพระเจ้าประเนสนิกุศลนั้นก็ประกันเบาแล้วไปเชื่ออะไรง่าย ในสุดก็จนถึงกระถุกยุโยงให้ค่าอิกุตภะก็วางแผ น, นของค่าตายทั้งลูกทั้งทั้งหมดเนี่ยเบ็ดเสร็จเนี่ยเลายสามสิบสามคนเนี่ยคือ ล, ลูกเขามีสามสิบสองลูกแฝดได้สิบหกคู่นะน่าดูไม่รู้เกิดยังไงเหมือนกันยังนึกไม่ออกเกิดลูกฝาแฝดได้สิบหกคู่คือนางวิสาขาเนี่ยมีลูกยี่สิบนะ เราก็นึกไปเยอะละแต่ว่านางมันลิกาเนี่ยมีลูกสามสิบสองแล้วก็สามีก็หนึ่งนะรวมแล้วสามสิบสามก็ตายหมดคนก็แจ้งข่าวให้ทราบว่าสามีกับลูกนะั้นถูกฆ่าตายหมดแล้วท่านถวายอาหารบิณฑบาตแก่พระสารีบุตรประโมคคัลลานนะกับบริวารอยู่ในขณะนั้นแต่รับข่าวแล้ว อ่านจดหมายเสร็จก็เอาจดหมายใสยพ่พกก็ดูแลพระอยู่เฉยไม่ได้แสดงอะไรให้เห็นแต่ว่าสารีบุตรเนี่ยธนุได้ยานนะเนี่ยแล้วพอดีนางทาักรีเขาเดินสะดุดมุมเสือ่อแล้วก็หกลมก็ทําให้ถ้วยมันแตกอาหารก็หกล้มถ้วยมันแตกสารีบุตรท่านก็กล่าวว่าของที่ต้องแตกเป็นธรรมดาก็ได้แตกไปแล้วบุคคลไม่ควรคิดอะไรมาก นักมนิกาในหลวงจดหมายมาอ่านให้ฟังบอ<น>กนี่เราควรจะครอบครัวของดิฉันนี่ทุกข้าศตายหมดสามถึงสามคนนดิฉันยังไม่ได้คิดอะไรเลยนับภาษาอะไรกระถ้วยแตกกระถ้วยเดียวที่จะลองเคยคิดที่จริงภาษาดิบุตรทั้งกฎหมายทั้งนนั่นแหละหมายถึงคนที่ตายไปสามถึงสามคน น, น, นี่คืออะไรคือความรู้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อเราเห็นตามความเป็นจริงแล้วมันไม่มีอะไร ไปควรติด ก, การยึดมั่นถรือมั่นอะไรมั่เพราะเราจะไปยึดถืออะไรมันในสุดเราก็ตายอ่ตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้มายิ่งดูอายุตอนนี้มาไปอบรมที่ไหนส่วนมากกับพวกข้าราชการเนะี่ยเขาก็อ่อนกว่าเราทั้งนั้นเนี่ยเรา67แล้วก็บอกให้เห็นว่าชีวิตข้างหน้ามันก็มีไม่กี่วันแล้ว แล้วเขาก็ไม่ควรจะประมาทคือไม่ควรจะคิดว่าเราอาจจะอยู่ถึงนั่นถึงนี้แต่ว่าในสุดเราก็ตายปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ตายเมื่อไรตายเมื่อไรก็ช่างมันเพียงแต่ว่าในขณะที่มีชีวิตอยู่นี่เราจะทำอะไรทำอย่างไรเราเกิดมาสายชาติบ้านเมืองนี่ทำยังไงให้ชาติบ้านเมืองได้อ่านสายเราบ้างแน่นี้ให้แก่แผ่นดินใช่บ้าง เราเกิดมาสายพ่อแม่เนี่ยทำยังไงให้พ่อแม่ได้อาศัยเราเกิดมาสายชาติบันเมืองความเจริญเติบโตของเราเนี่แตะตรงไหนมันเป็นหนี้บุญคุณทางนั้นเคือถ้าเราคิดได้ดีเราเห็นว่าเรานั่งรถไปบนถนนเราก็นี่บุญคุณของเอาไม่ต้องมองไกลแล้วฮะมองแค่ราษฎรที่เสียภาษีได้เงินมาสร้างถนนแล้วแสดงว่าเราเป็นหนี้แผ่นดิน และหนี้ประชาชนภายในแผ่นดินเป็นหนี้ขององค์กรเป็นสถาบันต่างๆเราได้สถานะได้การศึกษาและเรียนในขณาดที่ราษฎรซึ่งทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำอาเซียนภษีเนี่ยไม่มีโอกาสก็เหนื่อยกว่าเราเพราะเราก็ไปชด้ายอะไรให้แกแผ่นดินเกิดมาได้อาศัยศาสนาจะทำยังไงให้ศาสนาได้อาศัยไม่ใช่เป็นการฝากศาสนา หลายปีมาแล้วประมาณตอนก่อนสกลกรรัตนโกศินป์สองรอยปีนะฮะมามีโครงการทำแปลโประจต์บิดูาากระถาที่ออกมาเก้าสิบเว็ดเล่มนะฮะที่ออกมามงุตถึเ ก, ก้าสิเ็ดเล่มนะตอนนั้นเราต้องระดมนักวิชาการทางบาลัลีครูบาอาจารย์รุ่นครูบาอาจารย์นะฮนะหลายสิบคนแล้วก็ตั้งคำถามถามท่านเหล่านั้นว่า ขอให้ท่านอาจารย์ทั้งหลายลองย้อนเข้าไปสู่อดีตดูสิว่าอาจารย์มีวันนี้เพราะใครก็จําได้นะอาจารย์ทองอสืบสุมาพร์ประเด็นธรรมก้าประโยคเป็นคนตอบว่าเพราะพระพุทธเจา้าพวกเราี้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาอยู่เนี่ยเราก็อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แต่ว่าไม่มีวันนี้ไม่มีเราในวันนี้ เราอาจจะมีเราแต่อาจจะเป็นตะแก่อยู่ต่มบัด น, นอกไกันอะไรเนี่ยนะล้วก็บอกว่ามันเป็นการสมควนไหมที่เราจะสนองคุณพระพุทธเจ้าโดยการแปลพระธรรมคำสอนเขาประโวงออกมาให้สาธารณะทั่วไปแก่สาธุชนก็ตกลงกันนะงานนี้ก็ทำประสบความสาเร็จเวลานี้ก็กลายเป็นเรียกว่าน้ำบอดทรายแก่มังคุดพิมพ์กันหลายรอบแล้วยังไม่หยุด อดีนี้ก็เข้าเป็นซีดีอะไรแต่อะไรออกไปแพร่หลายนั่นคือท่านเหล่านั้นสำนึกคุณของศาสนาแล้วก็ทดแทนบุญคุณในก่ศาสนาก็ปัญญาเห็นชอบหมายความว่าชาติบ้านเมืองเนี่ยเขาอยู่ได้โดยไม่ต้องมีเราแต่เราจะอยู่ไม่ได้โดยไม่มีชาติบ้านเมืองแน่นอนในในเชิงสังคม ที่เราพูดถึงว่าเสื้อยางพระป่าปกป่ารบกับเสื้อยางยินดินเย็นระยาบางญ่ยาอย่างพระดินเย็นแต่ทีนี้สมมติว่าธรรมชาติเหล่าเนี้ยป่าต้นไม้หญ้าอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันเเนี่ยกาชูกันมาได้นะคะตั้งแต่โลกไม่มีมนุษย์โลกไม่มีสัตว์คือสัตว์เนี่ยมาอาศัยเขามันไม่ใช่เขามาอาศัยสัตว์แต่แน่นอนเมื่อสัตว์ไปอยู่เนี่ย มันก็ส่วนหนึ่งคือป้องกันอันตรายแม้มนุษย์เข้าไปล่าสัตว์เข้าไปในป่าที่มีเสือะแต่เราอย่าลืมวาจริงๆเนี่ยเสือเนี่ยต้องอาศัยป่ามากกว่าที่ป่าจะต้องอาศัยเสือเพราะว่าป่าที่ไม่มีเสือก็ไม่ถูกทำลายก็คือไม่ถูกทำลายแดีสรุปไปเห็นว่าปัญญาเห็นชอบตามความจริงเนี่ยตายก็ตายเป็นก็เป็นอยู่ก็อยู่หายก็หายของหายก็คือของหาย เห็นไหที่สอนให้คิดเนี่ยเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความแก่ไปได้เรามีความเจ็บไายเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความเจ็บไายไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความตายไปได้เป็นการสอนให้รู้เท่าทันถึงความจริงแล้วก็ไม่แต่ยึดมั่นหรือมั่นมันไม่มีอะไรเป็นของเราจริงเราไม่ได้เป็นอะไรจริงจริงแล้วไม่เป็นไม่ได้มีตัวตนอะไรข็ร้อยจริง มันเป็นเรื่องของการสมมติบัญญัติกันชั่วครั้งชั่วคราวร่างการนี้ก็เป็นที่อาศัยนะทายังไงจะบริหารรักษาเอาไว้เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการสนองคุณชาติบ้านเมืองสนองคุณพระศาสนาสนองคุณของแผ่นดินแล้วก็บำเพ็ญบา ร, รมีเพิ่มปูนบุญกุศลให้แก่ตัวเองถึงวันหนึ่งเราก็ต้องทิ้งเขาไปเราเองก็จะหมุนบนไปตามกระแสของกับ วันปัญหาสําคัญเนี่ยรู้เท่าทันถึงความจริงของสิ่งทั้งหลายเนี่ยจุดสูงสุดก็คือจะหมดกิเลสเนื้อหาจริงๆที่ทรงประสงค์เนี่ยคือการหมดกิเลสที่ทรงใช้คําว่าซึ่งคุณอันยอดเยี่ยมนั่นเองั้งฝั่งทั้งหลายแต่รมประวัติยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาห น, นึ่งครานี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงองามไปบุญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี